อแล้วก็สำรวมจิตใจเรานะส้ำรวมจิตใจการที่เราสำรวมจิตใจนี่แหละเป็นการแสดงความเคารพเคารพด้วยใจเป็นการเคารพที่สูงที่สุดเลยเพราะเป็นความเคารพที่ออกมาจากใจใจที่มีความเคารพสูงสุด จนจิตใจของเรามันสํารวมเข้ามาอยู่กับตัวเราเองได้ได้ง่ายกว่าที่อื่นๆเพราะเรามายัางสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติแต่สมัยนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถากุมารแต่เหมือนกับว่าเรา ตามล่องรอยของพระพุทธเจ้ามาเรื่อยเรื่อยเริ่มต้นว่าเออเป็นที่ตัสรุเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นเป็นการเป็นการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าโดยแท้เมื่อตัสรุแล้วก็ตามมาอีกมาแสดงพระธรรมเทศนาปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกตรงนี้เราก็เดินตามมาเรื่อ ย, อยตรง ที่แสดงปฐมเทศนาและก็ทรงเผยแผ่คำสอนของพระองค์ยาวนานที่สุดที่วัดเชตวันมหาวิหารก็ผ่านมาสังเวชนียสถานจริงๆอ่ะสองคราวนี้ตามมาเลยว่าครั้งแรกที่กายรูปพกายร่างกาย ที่จะเป็นตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะอุบัติขึ้นที่ไหนก็อุบัติขึ้นที่นี่เกิดขึ้นที่นี่แต่การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีความอัศจรรย์มันมีความอาศัจมมมอศจรรย์อยู่คือว่าพอเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยสามารถเดินไปได้เจ็ดก้าแล้วก็เปล่งอภิสวาจาด้วยคือคำพูด ที่เหนือโลกเลยนะคําพูดที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่เลยเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในโลกนี่คือคําพูดสามประโยคเลิศที่สุดเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดก็หมายความว่า พระ อ, องค์ทรงประกาศแล้วว่าต่อไปนี้จะไม่เป็นธาตุของอารมณ์ทั้งหลายไม่เป็นธาตุของโลกไม่เป็นธาตุของโลกก็คือไม่เอาเรื่องของโลกเข้ามาเป็นอารมณ์ให้มันเข้ามาวุ่นวายจิตใจตัวเองเข้ามากุ้มลุมจิตใจตัวเองแต่ก่อนคนเราในสมัยที่พูุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสรู้ยังไม่ได้อุบาขึ้นมา โลกทั้งหลายไม่รู้ทางเลยที่จะออกไปจากสิ่งครอบงอำอัมพรังสิ่งที่จะครอบงำจิตใจไม่มีเลยอ่ะก็เพื่ออ้อนวอนการนับถือพรหมบ้างเทวดาเทพเจ้าองค์นั้นองค์ง น, นี้พากันสวดพากันอ้อนวอนพากันบูชามีการบูชายันมีการทำจริงต่างๆมากมาย แม้นั่งสมาธิก็ตามก็หวังว่าจะได้ไปเกิดร่วมกับพรหมถือความยิ่งใหญ่เนี่ยมันอยู่แค่นั้นเองเน่ยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นมาเพื่ออยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยอยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายของโลกที่มันจะมาครอบงําจิตเรียว่าเป็นอิสระจากอารมณ์เหมือนอย่างเรามาเนี่ย มันมีไหมที่อารมณ์มันครอบงำจิตเนี่ยเรามายังสถานที่แห่งนี้ที่ที่พระเจ้าประกาศความเป็นอิสระของจิตไม่ได้มีอย่างอื่นนะประกาศความเป็นอิสระของจิตว่าจิตดวงนี้แหละจะต้องพ้นไปจากอารมณ์ทั้งหลายที่มันกึ่งรนจิตจ้แล้วว่าอะไรมันจะผ่านเข้ามามันก็เป็นธรรมดาในเมื่อเราเกิดมาเรายังมีชีวิต เรายังอยู่ในโลกมีเราแล้วก็มีธรรมชาติแวดล้อมเหมือนขณะนี้เรามาอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีเสียงการ้องมีคนนั้นคนนี้เดินผ่านไปผ่านมามากราบมาไหว้แต่ละคนแต่ละคนเขาก็ทำไปตามความรู้สึกนิคิดของเขาตามความรู้สึกว่ามันพอดีกับเขาบางคนก็ถือผ้าปืนเล็กๆมาจะสมมติว่าเป็นผ้าอ้อมหรืออะไรของเขาก็ไม่รู้เขาก็เอามาบูชา เราจะมองไปจะเห็นว่ากองหินที่อยู่ใกล้ๆอ่ะมันก็กองเต็มไปได้วยผ้านั่นก็ความพอดีของเขาเพราะความเคารพของเขาความรู้สึกว่าเขาทำอย่างนั้นเขาได้บุญถูกหรือผิดก็เป็นเรื่องของเขาไปมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเรามองดูเราก็เข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เรามีตาก็ต้องเห็น เห็นคนนั้นเห็นคนนี้เขาทําอย่างนั้นทําำนี้สิ่งแวดล้อมตรงนั้นตรงนี้มีสัตว์มีคนมีสิ่งของมีเหตุการณ์ต่างๆมีอยู่ในเรื่อของโลกเนี่ยมันเป็นธรรมดาของโลกแต่สําคัญตรงว่าเราให้เรื่องราวของโลกเนี่ยมันเข้ามาบีบคั้นจิตเราไหมนี่พรเจ้าเป็นอุปสาห์ตรงนี้นะมาให้เรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในโลกเข้ามาบีบคัน้นจิตใจได้นั่นคือจิตใจต้องได้รับการฝึกฝน ต้องแข็งแก่งต้องเข้มแข็งจนไม่ไปเอาเรื่องราวข้างนอกเข้ามารบกวนจิตตัวเองหรือเอาใกล้เข้ามาเอาเราอยู่ด้วยกันเอากลุมเรานี่แหละเอามาอยู่ด้วยกันคนนั้นก็อย่างนั้นคนนี้ก็อย่างนี้ก็มีบ้างเพราะแต่ละคนก็มีเจตนาดีเหมือนคนที่เขามาเขาอยากได้บุญเขายโยนเหรียญเข้าลงไปเพราะเขาเขาเขาอยากบูชาด้วยเงินเงินที่เขารักมากเขาหาได้มาด้วยความยากลาบาก เขาก็ว่าคิดว่าเสียสละไอ้ตรงนี้ลงไปแล้วมันเป็นความยิ่งใหญ่ภายในจิตของเขามันแสดงถึงความเคารพเพราะเขาก้ า, าหารที่จะเสียสละสิ่งมีค่าของเขาออกไปถ้าเรามองไปว่าเอา้าเงินทำไมไม่เอาไว้ซื้อข้าวปลาอาหารเลาไม่ทำประโยชน์ทำไมโยนลงไปทิ้งทิ้งทิ้งกว้างๆไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยก็ไปกองกันอยู่นั่นน่ะเนี่ย อันนั้นความคิดของเราความเห็นของเราแต่ความเห็นของเขาเขาถือว่าเขาได้บูชาด้วยจิตของเขาเองด้วยเสียสละสิ่งมีค่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาก็จะได้บุญบุญมากมายมหาศาลเขาอาจจะได้ไปเกิดในที่ดีๆหรือว่ามีความหวังว่าต่อไปชีวิตเขาจะดีขึ้น แล้วแต่นั้นเป็นเรื่องของเขามันก็สำคัญตรงเราที่ตรงเราอะว่าจิตเรามันเป็นยังไงเวลามันไปเห็นน่ถ้าว่าเห็นแล้วก็เข้าใจว่าเออโลกก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ละคนก็มาตามกรรมไปตามกรรมนั่นแหละทุกคนก็มีพื้นฐานต่างกันมีพื้นฐานมาไม่เหมือนกัน เหตุปัจจัยยิ่งยาวนานสืบสาวออกไปอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแตกต่างกันมากสั่งสมกรรมมาคนลยางเหตุปัจจัยมันต่างกันใ้เหมือนกันมันไม่ได้จะให้ความคิดของแต่ละคนมาตรงกับเราก็ไม่ได้จใจพฤติกรรมของแต่ละคนให้ตรงกับความรู้สึกของเรามันไม่ได้ ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับความจริงอย่างนี้เดี๋ยวอารมณ์ข้างนอกอะ่ะมันก็จะมาครอบงําจิตเราอีกแก่ไอคนนั้นทําไมอย่างนั้นทําไมคนนี้อย่างนี้ทําไมต้องทําอย่างนั้นทาไมต้องทำอย่างนี้น่ า, นนาจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไอตัวที่มันกําลังหาเรื่องหาราวอยู่นั่นแหละเราไม่เคยเห็นมันหรือเห็นมันแต่บางทีมันรวดเร็วมากเราไม่ทันมันมาเห็นตอนหลัง ตอนที่มันสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาขึ้นมาครอบงําจิตเราได้แล้วอะ่ะไล่มันก็ไม่ไปที่นี่มันเหมือนกับมันเข้ามาสร้างบ้านสร้างเรือนมาอาศัยจิตของเราเป็นที่หลบที่ซ่อนแถมบางทีเรายังเป็นหลวงอีกนะว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเหมือนกับห่วงแหนอะไรอาวอ์ก็มีด้วยนี่แหละที่มันสร้างปัญหาเนี่ยที่พระเจ้านี่เป็นอิสระคือเป็นอิสระอย่างนี้ อิสระจากอารมณ์ของโลกไม่ให้เรื่องราวของโลกเข้ามาครอบงำจิตได้เหนือโลกก็คือเหนืออารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายไม่มีอิทธิพลต่อจิตก็แค่ว่ามีตาก็แค่เห็นเห็นแล้วควรทำยังงต้องทำด้วยนะไม่เห็นแล้วจะอยู่เฉยเห็นคนกำลังประสบเพาะกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจออุบัติเหตุด้วยอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือได้ถ้าเอาแค่เห็นเฉย แต่ไม่ทําอะไรมันก็ไม่ถูกต้องคําว่าแค่เห็นในทีน่นี้หมายว่าจิตเราเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ไปเศร้าโศกเสียใจไม่เป็นทุกข์ไม่ไปร้องไห้คําควรไปกับสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นอิสระคือเป็นปกติเมื่อจิตเราเป็นปกติเป็นอิสระอย่างนี้อะไรควรทํามันจะมองชัดเจนมันจะลวดเร็วด้วยคล่องแคล่ว ด, ด้วยเป็นอิสระด้วยคือมันไม่มีอารมณ์อะไรมาปิดบังมากัน้นมากขวาง คันทำอะไรก็ทําทันทีมันรวดเร็วรวดเร็วพร้อมกับอิสระด้วยจิตใจเป็นปกติด้วยสงบเยือกเย็นเป็นธรรมดาของโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อยังมีการเกิดมีการเจ็บอย่างนี้บ้างมีอุบัติเหตุโน่นนี่บ้างกรรมในอดีตบ้างกรรมในปัจจุบันบ้างมันก็จะมีอยู่อย่างนี้สำคัญตรงจิตของเราว่าจะไปเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะเข้ามาทับถมจิตไหม นี่นะ่คือความสำคัญเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้ที่พระเจ้าเป็นอิสระก็เป็นอิสระอย่างนี้นะไม่มีอะไรจะมาทำให้เป็นทุกข์ได้เลยเห็นก็เอาธรรมดาเรามีตาก็ต้องเห็นสิเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างทําั้ไม่ถูกใจเรารู้ทันมันไหมไอสิ่งที่ไม่ถูกใจมาข้องงำจิตเราได้ไหมทาให้เราเจ็บเราปวดเราทุกข์เราทรมานหม ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองขุนมัวไหมทําให้จิตใจของเรามันซึมเศร้าเหงาห่วยไหมหรู้ว่าจิตเราเป็นปกติอยู่ได้ถ้าเป็นพระไทยของพุทธเจ้าล่ะจิตของพระพุทธเจ้าล่ะเป็นอิสระเลยเนี่ยที่เรามาครั้งเนี้ยตามมาถึงสถานที่ประศึก ก็ทําให้เรารู้ว่าเออพระวรากายของพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจแตกต่างกันเกิดขึ้นมาแล้วสามารถเปล่งวาจานั้นได้คือเหมือนกับว่าสิ่งที่สั่งสมมาเนี่ยมันมาพอดีทําให้เกิดคาพูดออกมาได้เนี่ยเหมือนเราเนี่ยเอาถ้าเรามาแล้วเราสํารวมจิตใจเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าหลัก หรือสัญญากับพระพุทธเจ้าด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยความจริงจังอาถานคําว่าปณิธานหรือคําว่าอธิษฐ า, านอธิษฐานนี่หมายว่าจิตใจที่มั่นคงจิตใจมีสมาธิจิตใจมั่นคงแน่วแน่ตั้งใจแน่วแน่นี่คือปณิธานพร้อมกับมีสมาธิจิตเป็นหนึ่งแน่วแน่มั่นคงจริงจังเด็ดเดี่ยวอยู่ในนั้นเป็นคําอธิฐาน อธิษฐานถึงจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายของชีวิตเราอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีเป้าหมายนี่ท่านต้องตัดสรุดับทุกในพระไทยให้ได้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ช่วยสั่งสอนเวนยาสตร์ท้งหลายให้รู้ตามให้ปฏิบัติตามได้ต้องใช้คำอธิษฐานแล้วความดีทั้งหลายอยู่บางทีกำลังแต่ละชาติเนี่เกิดมาไม่ใช่ว่ามันจะบาเพ็ญแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ บางชาติก็ทําในทีละอย่างก็ต้องใช้คําอธิษฐานบา ร, รมีเหมือนกันเพราะอธิษฐานบา ร, รมีก็คือทําความดีอย่างยิ่งยวดเพื่อให้ความดีแต่ละอย่างนั้นสำเร็จก็ต้องใช้ความแน่แน่ของจิตมุ่งตรงเข้าไปเด็ดขาดลงไปชาตินี้ต้องขันติบา ร, รมีวิทยาบา ร, รมีก็ว่าไปสร้างกว่าที่จะมาบรรจบกันเพราะฉะนั้น ถ้าบางทีเราทําความดีทั้งหมดไม่ได้เราก็เอาทีละอย่างเหมือนเหมือนเราจอละบางสิ่งบางอย่างออกไปอย่างเงี้ยถ้ากําลังเราไม่พอบางทีต้องใช้คําอธิษฐานหรือว่าเรากําลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราจะสู้ได้บางทีการใช้คําอธิษฐานสู้ได้อตมานี่เคยสู้กับเวทนานะสู้ก็สังเกตตัวเองพอนั่งไปไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเลิกทุกครั้งไปพยายามฝืนยังไงก็สู้ไม่ได้ ตัดสินใจใช้การอธิษฐานเพิ่มอธิษฐานก็ไ ม, ม่ว่าครั้งเดียวเอาเต็มที่เลยนะเราก็เออวัดดูว่ากำลังของเราเนี่ยมันมันพอดีขนาดไหนตอนที่ทดลองก็คือเอ้านั่งเต็มที่เลยภายในเจ็ดวันนั่งในท่านี้ได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงได้เท่าไหร่มันก็ไปถึงจุดหนึ่งที่มันทนไม่ได้เอามาดูเวลาเนี่ยมันเท่ากั น, นเวลาประมาณนี้มันก็จะหมดกาลังละ เียว่ากําลังใจของเรากําลังความอดทนอดกัน้นทุกสี่หัวอย่างของเราสติปัญญาของเรามีอยู่แค่นั้นนะจํากัดต่อไปนั้นเอาไม่อยู่แล้วหมดกําลังเอาละเราจะเพิ่มแล้วทีนี้ เ, เพื่อฝึกจิตเราไม่ได้มีอย่างเดียวหร อ, หอกเอาสิบห้านาทีท่าสิบห้านาทีนี้ตอนนั้นก็ต้องตั้งเวลาไว้ด้วย เ, เพื่อที่จะให้มันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วนะถ้าไม่ถึงเวลาก็ยังออกไม่ได้นะ อธิษฐานตั้งใจเลยเด็ด <_ S 1> ขาดลงไปถ้าไม่ถึงเวลาเราไม่เลิก้าริ่งห้อยเงียนเต็มไปคล้ายๆกตขู่ไว้กำหนดจิตไว้ไม่ให้พ่ายแพ้เด็ดขาดนี่มันทึงต้องวัดว่าเออเราจะเอาขนาดไหนเราพอดีแล้วเราก้าพอที่จะทำได้ด้วยทดลองโอ้โหพอมันเลยกำหนดของมันนะมันก็ดิ้นลนะจิตอะตอนมันดิ้นเลยสอนกันเลยที่นี่เอาธรรมะมา ที่ได้ยินได้ฟังของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเราเองหรอกเอามาสอนแต่จิตมันเชื่อขึ้นมาที่นึ่มันยอมรับขึ้นมามันปล่อยได้นี่เป็นธรรมของเราขึ้นมาแล้วมันก็สะสมธรรมเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นธรรมะของเราจิตมันเชื่อมันยอมรับแล้วมันก็ปล่อยได้วางได้เป็นธรรมของเร า, เ า, เ ท, รรเราทีละน็กทีละน้อยไปเรื่อยปล่อยวางได้มากขึ้นเรื่อยเรื่อยเห็นเออเวทนาจริงมันก็ไม่ใช่ของเราจริงนี่นะบางทีมันเจ็บปวดจะเป็นจะตายเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดปั๊บไป อ้าวโม้ไหนมากไม้อะไรนํานะมาถึงเป็นถึงตายนี่นะแต่ถ้าไม่อธิษฐานเราจะไม่เห็นขนาดนี้แต่ก่อนนี้เราเราพอเจียต้าปึบ๊บอยู่มันมันมันอยากขยับแล้วนี่มันอยากถอยแล้วนี่แล้วก็ถอยเราก็ขยับอยู่เรื่อยมันก็เลยไม่เห็นน่ะไม่ได้ต่อสู้พอได้ต่อสู้เท่านั้นน่ะอู้หึมันรู้สึกว่าจิตใจมเข้มแข็งขึ้นออกมานี่มันเหมือนกับตัวเบาตัวเดินไปตัวลอยไป อารมณ์ทั้งหลายที่มันเคยกุ้มลุ่มใจหายไปอารมณ์อะไรที่มันมันมันผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็ดับเร็วแล้วอารมณ์ก็น้อยลงด้วยเออเราก็เห็นคุณค่าที่นี่เออเจ็บปวดก็จริงแต่ว่าเราได้รับประโยชน์เพราะว่าไอ้ที่ว่าเป็นอัตาจิตธรรมฐานุโยคอะ่ะมันทุกแต่ว่ามันมีประโยชน์อนัตาส a s a n h i มันไม่มีประโยชน์นนตนชนแต่ของเรานี่มันมีประโยชน์ที่นี่ อิแสดงว่าไม่ใช่พอทรมานแล้วมันเป็นการดูทุกขเวทนาเห็นหน้าตาของเวทนาชัดเจนนี่แหละเราก็อาศัยคําอธิษฐานอธิษฐานพอมันผ่านไปได้แล้วทดลองดูแล้วมั่นใจแล้วผ่านแน่นอนเพิ่มเวลาอีกอธิษฐานกันสู้กันอีกธรรมะมันก็ค่อยเข้ามาเข้ามาเข้ามาบางทีมันเข้าสมาธิมันวางแล้วมันก็มาอยู่กับตัวเอง คราวนี้พอจิตไปมองดูกายปั๊บเอยร่างกายมันไม่ใช่ของเรามันตรงกับคําสอนของเจ้าเลยที่นี่จิตมันมีกําลังแล้วมันถึงเห็นนะตอนที่ไม่มีกําลังโอ้ยฟังไปเถอะธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของเราอย่างนั้นอย่างนี้พอสบายสบายแต่ว่าจิตมันไม่เห็นนะไม่แจ้งไม่ชัดเลยแต่พอจิตมีกําลังทับโอ้ตรงอย่างนี้สิร่างกายเป็นร่างกายจิตเป็นจิตเป็นแนวเดียกันไม่ได้อารมณ์ทั้งหลาย พานเข้ามาดับไปไม่ใช่จิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันถึงวางได้ที่นี่เวทนาเราก็อยู่ที่ร่างกายเป็นเรื่องของเวทนาไม่ใช่จิตจิตดูเฉยๆบางทีมันก็ดึงเข้ามาเลยเรื่องเราที่มันคอยเสียดแทงใจคนนั้นคนนี้ว่าเราอย่างนั้นยงนี้ดึงเข้ามาเลยดึงเข้ามาตับเอา้ามันเรื่องของเขาไม่ได้แค่คาพูดไอ้ตัวจิตนี่ไปยึดทาไมไปนุ้งทาไมโอ้ยมันวางทันทีเลยนะ นี่มันต้องอาศัยกำลังใจมันถึงจะหลุดได้ถึงจะปล่อยวางได้บางอันมันอยู่ลึกอะ่ะบางทีเราแค่คิดบางทีฟังธรรมะมันมันผ่านไปดี๋ย ว, ว่าไม่อีกแล้วเพราะอะไรมันไม่ได้ขุดลากถอนโคนมันตอนที่จิตมีกำลังนี่เราไมา่ให้หงุี้งิยคือฝึกไปฝึกไปพอมีกำลังแล้วทีนี้เริ่มดึงดึงเรื่องที่ค้างคาอยู่ในใจอะ่ะที่มันชอบมาเป็นสัญญา คือเรื่องเรือมันมันมีอุปทานมันไปยึดไว้ยึดไว้เวลามันจะทํางานอะ่ะสัญญามันไปเอามาสัญญาเอามาปั๊บมันก็มาส่งส่งมันจะตึกขึ้นมาเนี่ยเขาเรียก ว, วิตกวิตกเนี่ยคื อ, คอเริ่มคิดอ่ะเริ่มคิดครั้งแรกเขาเรียกวิตกวิจารณเนี่ยคิดต่อมาอีกจากนั้นสังขารก็ปรุงแต่งวนเวียนมากมายนี่ในการทํางานของจิตแต่คนเราไม่ไม่เห็นไม่เห็นการทํางานของจิตมันก็เป็นเราไปหมดเลยอะ่ะ เขาว่าเราก็เป็นเราอยู่งั่นแหละจริงมันจบไปตั้งนานแล้วขนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็จบไปนานแล้วที่จริงก็เขาก็ทําไปตามเหตุปัจจัยของเขาตามความรู้สึกนึกคิดขอขาตามความคิดความเห็นของเขาแต่เรานี่ไปตัดสินเนี่ยที่จริงไม่ใช่ผมไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยเราไปตัดสินเองตัดสินเราเป็นจริงเป็นจังขึง้นมาเปจริงเป็นจังขึ้นมามันก็มาปรึกษาคิดไม่ปรุงแต่งก็เลยรบกวนตัวเองอะ กายเป็นตัวเองนะเนี่ยมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยนี่พระเจ้าจึงต้องอุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะเลิดเป็นผู้เลิดเลิด ก, ก็คืออย่างเงี้ยชาวโลกทั้งหลายมีทุกข์เพราะความโง่ความหลงภายในจิตของตัวเองจิตของตัวเองสร้า ง, างเรื่องสร้างราวขึ้นมาแต่ไม่รู้ความจริงตรงนี้ก็เลยเที่ยวโทษแต่ข้างนอกเดี๋ยว่าชี้เป้าไปข้างนงกบนเลยดูสิมันหลอกขนาดนี้นะ ความหลงนี่มันหลอกชนิดที่ไม่รู้ว่าตัวเองหลงนะแล้วมันจะแก้ได้ยังไงอ่ะถ้าไม่มีพระเจ้าจะแก้ได้ไหมนี่แหละพระเจ้าจึงเป็นผู้เลิศแล้วเป็นคนที่สามารถที่จะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปก่อนได้จึงว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกก็คือเนี่ยมันไม่มีทุกนี่แหละสามารถดับทุกภายในจิตใจได้ทีนี้ถ้าหาว่าเรามายังสถานที่แห่งนี้ละ่ะ เรารู้แล้วว่าเออผู้เจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่าเป็นผู้ที่เสียสลัมุ่งศึกษาค้นคว้าด้วยพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์จึงต้องได้ทดลองทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำให้พระ อ, องค์เนี่ยหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายที่มันครอบงำจิตนี้จนแน่ใจว่าไม่มีทางองื่นนอกจากทางสายกลางทางสายกลางนี่คือทางของจิต ที่มีสติควบคุมจิตให้จิตเป็นกลางๆแล้วก็พัฒนาสติปัญญาหรือว่าอริยมรรคมีองค์แปดขึ้นมาในจิตฝ่ายกุศลเนี่ยเกิดขึ้นในจิตโยงสร้างบริบูรณ์สมบูรณ์แจ้งชัดความจริงด้วยอริย ส, สัจสีแล้วก็สามารถดับทุกข์ภายในจิตใจได้ถ้าร่างกายก็เหมือนกับเป็นมนุษย์ทั่วไป แต่จิตใจนั่นสําคัญตรงจิตใจแล้วนะทินแตกต่างกับพวกเราแต่ไม่ได้หมายว่าพราะองค์จะเริ่มต้นเฉพาะชาตินี้นะก็คือต้องสร้างบา ร, รมีเรื่อยมาตั้งความปรารถนาเรื่อยมามุ่งมันบากบันที่จะออกจากทุกข์ให้ได้ด้วยพระองค์เองเนั่นแหละเดี๋ยว่าตัดสิรู้เพราะไม่ได้ศึกษาจากใครห ม, มายถึงชาติที่จะบรรลุธรรมเนี่ยไม่ศึกษาจากใครแต่ชาติก่อ น, ก, อ น, ก, อนก็ธรรมดา ก็เกิดพบผู้เจ้าอางค์นั้นองค์นี้บ้างเรียนรู้ศึกษาสะสมไวในจิตเนีย่ยเป็นบารามีเวลาเราก็มาก็มาสร้างบารามีเหมือนกันถ้าเรามาแล้วเรารู้สึกขึ้นมาได้ว่าเออผู้เจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่อาศัยปณิธานอาศัยความปรารถนาที่แน่วแน่มุ่งมั่นบากบาัน ท, ที่จะปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ด้วยพระองค์เองถ้าเรามาแล้วเราก็เออ เรามีพระองค์เป็นศาสดาแล้วผู้ที่มีพระเจ้าเป็นศาสดาที่แท้จริงน่ยต้องบรรลุพระโสดาบันบุคคลถ้าหากว่ายังไม่บรรลุพระโสดาบันบุคคลชาตินี้จะต้องไปหาอาจารย์องค์ใหม่หาผู้พุทธิเจ้าองค์ใหม่หรือถ้าเกิดไม่กก็ต้องพบศาสนาของพระเจ้าองค์นี้แล้วจะต้องบรรลุธรรมด้วยคำสอนของพระเจ้าองค์นี้คือบรรลุพระโสดาบันบุคคลจึงจะถือว่าเป็นสาวกของพระเจ้าองค์นั้น ถ้าว่าใครบรรลุปัโสดาบันบุคคลในสมัยผู้เจ้าองค์ต่อต่อไปก็หมายว่ามีผู้เจ้าอ ง, องค์ที่เราบรรลุนั้นเป็นศาสดาถ้าใครจะปารธนาพระสมณะโคโดมเป็นศาสดาอย่างน้อยต้องบรรลุปัจสดาบันเพราะฉนั้นจะต้องมุ่งปฏิบัติตามเียสร้างบรารมีมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นสําคัญตรงที่จิตร่างกายก็จะเป็นเหมือนกันแต่สําคัญว่าจิตเราแน่วแน่ไหม ริงจังไหมมุ่งมั่นไหมยิงเราก็คิดดูแล้วก็เออมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะอุตส่าห์เดินทางมาขนาดเนี้ยโอแค่มานั่งรถแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้านนะแต่ว่าเราก็พอใจอ่ะนี่คือกำลังใจนี่แหละคือกำลังของบารมีความเพียรเพื่ อ, อออกจากทุกข์เพื่ออยู่เหนืออารมณ์ของโลก ถ้าใครมีความเพียรมีความพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่ออยู่เหนืออารมณ์ของโลกนี่แหละจึงเรียกว่าบาลมีเพียรอย่างอื่นไม่เรียกว่าบาลมีเพราะนั้นเราจรึงต้องสำรวมจิตใจอยู่ตลอดเวลาเลยถอามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นปั๊บมันเผลอไปแล้รีบกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองให้ได้กลับเข้ามาอยู่กับตัวเองพยายามอยู่เหนือมันอยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลาย แม้มันเข้ามาครอบงมจิตเราได้เพราะอารมณ์ทั้งหลายมันเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดตอนตาเห็นหูือหูอได้ยินเสียงหรือจมูกมันได้กลิ่นลิ้นมันได้รสกายถูกต้องสัมผัสหรือใจมันนึกอะไรขึ้นมาแล้วมากระทบใจอีกทีหนึง่งมันเพิ่งเกิดเท่านั้นเลยนะมันไม่ได้อยู่ตลอดไปด้วยพอเหตุการณ์ผ่านไปมันก็ดับไปมันก็มีอารมณ์ใหม่เข้ามาอีก พอเหตุการณ์ผ่านไปอีกมันก็ดับไปอีกก็มีอันใหม่ขึ้นมาอีกคือมันไม่ได้อยู่ตลอดไปเราก็รีดให้มันดับเร็วขึ้นทีนี้เรารีบทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้เรื่องทั้งหลายมันมาครอบงำจิตมาลบกวนจิตมาบีบคั้นจิตเราก็จะได้อยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายของโลกอยู่เหนืออารมณ์ก็หมายว่าจิตเรามันฉลาดขึ้นมันเข้าใจมากขึ้น แต่จิตใจที่จะฉลาดจนกระทั่งเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไมย่ตัวตนจริงเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับไปมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เท่านั้นเองมันต้องอาศัยวิธีของพระพุทธเจ้านี่แหละการเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์เข้าใจวัตถุประสงค์ของคำสอนของพระองค์ แล้วเกิดความรู้ความเข้าใจในคําสอนเหล่านั้นจนสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราได้เวลาพระองค์นําคําสอนมาสอนเนี่ยก็คือให้สํารวมจิตใจมีสติรักษาจิตใจเอาไว้เพราะถ้าไม่สํารวมใจเราจะไหลออกไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาทับถมจิตนี่คือใจที่ไม่มีสมาธิ พอจิตใจมันเป็นธรรมชาติที่ต้องนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์มันนึกคิดไปเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางเวลากระทบอารมณ์มก็อามานึกมาคิดมาปรุงมาแต่งขึ้นมาถ้ามีสติรักษามันไว้ควบคุมมันไว้ให้มันมาจ่ออยู่อารมณ์เดียวให้มันอยู่ข้างในนี้มันก็วางอารมณ์ข้างนอกได้ถ้ามันวางยังไม่ได้ก็แสดงว่ากําลังมันยังน้อยอยู่ถึงจะรู้เข้าใจขนาดไหนถ้าไม่ฝึกฝนมันก็ทําไม่ได้ด้วยเพราะกําลังมันไม่พอ มีท่านถึงว่าต้องเป็นทางของพูะเจ้าเท่านั้นมันจึงจะดับทุกข์ภายในใจเราได้เมื่อจิตใจเรามาอยู่กับตัวเรามันเจาะเข้ามาข้างในอารมณ์ข้างนอกดับไปก็ต้องให้มันมีกำลังขึ้นมาด้วยตัวสมาธิเนี่ยมันจะมีสามอย่างอยู่ในตัวมันเองหนึ่งมันมีกำลังตัวสมาธิเนี่ยเหมือนกับ น, น้ำอะ่ะชว่นเราเราขึ้นไปบนเขา แล้วก็มีถังน้ําถ้าเราลาดน้ําไปคนละที่คนละทางอางนี้กระเซ็นกระสายไปอย่างนั้นเหมือนจิตที่มันไหลซ่านไปไม่มีกําลังคราวนี้ถ้าเราทําเป็นรางเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่องเดียวเงี้ยเราเทน้ําลงไปมันจะมีกําลังแตกต่างจากการลาดน้ําออกไปไม่มีทิศไม่มีทางตัวสมาธิก็เหมือนกักน้ําไว้แล้วปล่อยออกไปในช่องทางเดียวกันเพรา ะ, ะตัวสมาธินี่มันจึงเหมือนกับเรา กักน้ำไว้คุมจิตไว้กักจิตไว้คุมจิตไว้เมื่อคุมจิตไว้ทีนี่น้ำเนี่ยถ้าว่ามันมีตะกรนมันมีโคลนตมมันขุ่นมันข้นมันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องให้มันตกตะกรนให้มันใสอ่ะเพื่อสมาธิในจิตมันจะใสใสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความขุ่นมัว มันใสมันนิ่งมันจึงจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ในนั้นมีอารมณ์อะไรเข้ามามีเรื่องอะไรเข้ามาเมือนน้ำใสอ่ะเห็นปลาบ้างเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นปูเห็นสาลายมองเห็นถ้าจิตเรามีแต่อารมณ์มีแต่เรื่องนั่นเรื่องนี้วุ่นวายไปหมดมันไม่เห็นทีนี้หรือมือนน้ำที่มันมีลมพัดมันมีคลื่น มันมองอะไรไม่เห็นเหมือนกันพันจิตใสมึงใสเหมือนน้ํเอาเพสาะว่ามันจะมีโคนมีตมอะไรก็ตามเราเอามากักไว้ตะกอนมันตกลงไปแล้วมันก็ใสขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันที่สองคือใสอันที่สา ม, ม่สงบแล้วก็มีความสุขด้วยนีมีคุณสมบัติของสมาธิมีความสงบรั ง, งับอารมณ์อื่นๆไม่ได้เข้ามารบ ก, กวนจิตใจ มีความสุขความสบายอยู่ภายในทิ้งก็พร้อมสิที่นี่ต้องมีกําลังด้วยถ้ามันยังไม่มีกำลังก็ต้องพัฒนาไปจนมีกําลังที่มันมองเห็นที่นี่เพราะว่ามันใสแล้วมันมองเห็นล้เ อ, อ, อารมณ์นี้เข้ามาปับ๊บมันนิ่งอยู่มันก็ดูอยู่ตัวสงบก็ช่วยเห็นแล้วก็สงบอยู่ดูอยู่รู้อยู่เออนี่มันเกิดดับนี่นะหรือไม่ใช่ของเรานี่ยนะเ อ, อ้ยมันอยู่ของมันนี่นะ อาศัยจิตที่มีกำลังตั้งมัน่นไออารมณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่มาดึงจิตไปมันไม่ลากจิตไปไม่ให้จิตของเราเนี่ไปคุกเข้ากับอารมณ์เหล่านั้นเพราะกำลังมันมีจิตมันมีกำลังแล้วมันเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแล้วมันมีกาลังเหมือนใครจะมาดึงเราอย่างนี้ถ้าเรากำลังเรามากกว่าเขาเราหยุดปักหลักอยู่ได้เขาดึงก็ดึงไปเราปักหลักเราไม่ถล่มไปกับเขา เมือนอารมณ์อะไรเข้ามาจิตเราไม่ถลําไปเพราะมันมีหลักมันมีความหนักแน่นมันมีกําลังตักหลักเด็กก็เห็นอารมณ์มาเดี๋ยวมก็ไปจิตเราก็ยังสงบอยู่ได้ลิ่งอยู่ได้เฉยอยู่ได้มันก็สุขก็สบายเตนิสระจากอารมณ์นี่คือตัวสมาธิทีนี้การที่มันเห็นอารมณ์เนี่ย มันมีกําลังมันติ็สายเห็นความเห็นความเห็นมันก็ชัดแจ้งเออเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ของเราเพราะมันไปคุกเข่านี่เห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นชัดขึ้นแจ้งขึ้นเนี่ยเออมันก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่นีมันปัญญามันเริ่มมีแล้วนะที่นี่มันไม่ใช่ของเราเลยอารมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับถ้ามันมันมันชัดแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆนก็เอ้าเขาก็อยู่ของเขาเขามีปากเขาก็พูดสิ พื้นฐานเบื้องการอะไรมาก็ต่างกันด้วยจะให้เห็นเหมือนกันมันก็ไม่ได้เขาเห็นว่าทำอย่างนี้ดีเขาก็ทำแต่เราไม่อยากให้เขาทำเนี่ยมันมาจาิ่ใจอีกแล้วนะที่นี่ไม่อยากให้เขาทำจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เอา้าเดี๋ยวเขาเกินหน้าเกินตาเราเดี๋ยวเขามีความสำคัญมากกว่าเราแล้วเรื่องของใครอ่ะนี่มันเรื่องของเราเนี่ยส่วนเรื่องของเขาเราก็เขาก็ทำไปตามเหตุปัจจัยของเขา แตเรื่องของเราเนี่มันสําคัญเนี่ยนี่แหละที่พระเจ้าบอกว่าเอาอารมณ์ของโลกเนี่ยเข้ามาครอบงาจิตแต่พระ อ, องค์เนี่ยเลิกละเป็นอิสราจากสิ่งเหล่านี้แล้วประเสริฐสุดก็คือประเสริฐสุดตรงนี้แหละเป็นพี่ใหญ่ก็คือมาลูกก่อนเพื่อนก่อนคนอื่นเลยถ้าไม่มีพระ อ, องค์ก็ไม่มีใครนี้พระ อ, องค์จึงเป็นพี่ใหญ่จรงิจรงๆเป็นพี่บิ่มเลยใหญ่จึงว่าเลิศจึงว่าประเสริฐจรงิงเพราะแต่ก่อนมีแต่คนที่มีความทุกข์มีแต่เรื่องราวครอบงาจิต ไม่ว่าพบไหนชาติไหนกลับไหนกันไหนจั ก, กรวาลไหนไห น, ไหนก็ถูกเอ้าข้อมำลัทั้งนั้นเลยนอกจากว่ายุคสมัยใดที่พระเจ้าอุบัติขึ้นมาตัดสืบก็จะเห็นความจริงตรงนี้เลยนีเรียกว่าเข้ามาถึงแก่นเลยเอาให้มันเกิดประโยชน์แก่จิตเราเลยเพราเรามาจริงเราเคารพดจิตของเร า, รเราทาตามที่พระเจ้าสอนเข้าหาแก่น เราไม่ไปเที่ยวเอาผ้าถืนเล็กๆมาไม่ต้องเอาเหรียญไปโยนไม่ต้องเอาดอกไม้มาบูชาแต่แเราจิตของเราเนี่ยปฏิบัติบูชาปฏิบัติตามลงไปวรือสติสติคุมจิตได้เป็นสมาธิสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว ยิ่มันได้ยินฟังความจริงเนี่ยจิตของเรามันก็ยิ่งกดตัวเข้าไปมันทําตามไปได้เลยเพราะมันรู้แล้วเข้าใจแล้วเออผู้เจ้าสอนเนี่ยที่แม่ก็สอนเพื่อให้เรามีสติรักษาจิตให้ได้เพื่อจิตเราเป็นสมาธิจากนั้นก็มาเรียนรู้ว่าเ อ, อ้เรื่องราวทั้งหลายที่มันเข้ามาหาจิตเนี่ยทำให้จิตเราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะจิตมันยังไม่มีสติไม่มีปัญญามันหลงมันหลงหลงแล้วก็หลงว่ามีตัวตนนี่แหละ แต่ความหลงที่สำคัญหลงว่ามีตัวเรามีตัวตนของเราแล้วก็อยากได้อะไรก็เพื่อตัวเราอยากให้เรามีความสุขอยากให้คนนั้นคนนี้มาเอาใจเราเพื่อให้เรามีความสุขมันมีแต่ความหลงที่มันมันทางานอยู่แต่เราไม่รู้มันหลงที่ไหน นี่ที่มันแก้ไม่ได้คือหลงแล้วก็ไม่รู้ว่าหลงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราจะหลงอีกเป็นนานสักแค่ไหนคราวนี้เรามาพบพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็เดินทางมาตามดูความจริงที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเอาให้ถึงใจเลยทีนี้ว่าบุคคลอย่างนี้มีอยู่จริงมีตัวตมจริงเกิดเหตุการณ์อะไรที่สาคัญกับพระพุทธเจ้าเราเรียนรู้ศึกษา แล้วก็เพื่อที่จะให้เรานี่ยมีกำลังใจที่จะปฏิบัติตามพระ อ, องค์ไปในเมื่อพระ อ, องค์ไม่มีทุกข์คำสอนของพระ อ, องค์ก็สอนเพื่อให้สาวกไม่มีทุกข์เหมือนกันคนไม่มีทุกข์จะไปสอนอย่าง อ, างอางื่นไม่ได้หรอกเพราะโอ้โหวกว่าจะออกจากทุกข์ได้มันก็ไม่ธรรมดาจีก็ร่มลงไปเหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระ อ, องค์ยังทรงพระชนอยู่ยังเป็นใบลืนน่ะยังเป็นคารวาส่ ก็โอ้กามคุณาลมีเรียกว่าถูกปนเปื้ออย่างถึงที่สุดเลยอันนี้อันนี้ก็ตามประวัติเราก็รู้กันอยู่แล้วเราจะไม่พูดอะไรมากมายพูดยอยอะๆที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระองค์ทรงเดือนนาคล้ายๆกับว่ามันก็มีเทวทูต ท, ทั้งสี่ปรากฏขึ้นเนี่ยผู้ที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้เดือนหนาเพราะว่ามันมีการเกิดอย่างเราเนี่ยมันเกิด เมื่อเกิดก็ต้องมาอยู่ในโลกอ่ะเมื่ออยู่ในโลกอ่ะเหตุการณ์ของโลกมันก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมมันก็มีเราจะเกิดมาแล้วอยู่คนเดียวมันเป็นไปนไม่ได้หรอกจะทําอะไรมันก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกันอย่างเรามาที่นี่ก็ต้องมีอาจารย์เยมีผู้บรรยายธรรมเราก็อยากมาฟังธรรมจะมาฟังธรรมเรามาเองก็ไม่ได้ก็ต้องนี่เอาคุณสมรักษ์คุณนิ้งบ้างคุณเอสด่างคนนั้นคนนี้ช่วยกันเอา้ามีความเห็นตรงกันอะ่ะเอา้าจะมากัน ก็มากันก็ต้องมีเหตุปัจจัยต้องร่วมไม้ร่วมมือกันอาจารย์ก็ต้องสมัครใจว่าเออจะมาละมาก็เพื่อที่จะแสดงธรรมถ้าหากว่าไม่มีพวกเรามาเราจะมาแสดงธรรมให้ใครฟังอะ่ะมันก็ทําไม่ได้พวกคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยพก็ทางคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปก็ไม่ต้องไปสําคัญว่าเออเราสําคัญเรายิ่งใหญ่กว่า ค, คนนั้นคนนี้ไม่ใช่ทําหน้าที่ของตัวเอง ใหามันมีความเหมาะสมไม่มีความลงตัวเพราะว่าถ้ามีแต่เราไม่มีเขาก็เปลนไปไม่ได้หรือรือรือเจ้านายก็คือก็คือคนที่เป็นเจ้าของงานลูกน้องก็คือผู้ที่มาทํางานทํางานให้เจ้านายแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่เจ้านายอะไรหรอกการนี้เป็แค่สมมุติจริงๆก็คือเอามีงานทํำยังไงงานนี้จะสําสเร็จก็ต้องหาคนมาทํางานคนที่มาทํางาน ก็หวังที่จะได้เงินเพื่อที่จะไปใช้ใจ่ายเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวตัวเองมันก็มีเหตุปัจจัยอยู่นี่แหละถ้าต่างคนต่างรราทําหน้าที่รู้จักหน้าที่รู้จักขอบเขตว่าเราเกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะปัญหามันไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยมีทุกข์ยังอยู่ที่วัดกันเหมือนกันนะแต่มาก็เออเราเป็นเจ้าว่ายก็จริงแต่ถ้าไม่มีอ่ะมันมีลูกวัดอ่ะไม่มีมยาดโยมมาดูแลวัดอ่ะมันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้สำคัญตนว่าเออเป็นของเราเรายิ่งใหญ่กว่าใครมันไม่ใช่อย่างนั้นว่าเออเราก็ต้องพึ่งเขาเขาก็พึ่งเราเราให้ธรรมะเขาก็ดูแลอะไรไปอะไรไม่ถูกต้องเราก็บอกเพื่อได้แก้ไขมไม่ให้เรื่องที่เขาขาดบาดตายไม่ใช่เรื่องที่จะมาชิงชังกันแต่เป็นเรื่องที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้มันหายโง่หายหลงเพราะเราทั้งหลายที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่นี้ก็เพราะความโง่ความหลงนี่แหละ แล้วถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเราก็จะวางตนมีชีวิตว่าเออเราเกิดมาในโลกมันก็มีธรรมชาติอยู่ในโลกนี้แหละเราหนีจากมันไม่ได้หรอกสำคัญว่าเราทุกไหมเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับเหตุการณ์ทั้งหลายนี่เพื่อจ้ต้องเป็นทุกข์เหรอเรามีชีวิตเนี่ยเพื่อจะตงเป็นทุกข์ใช่ไหมมันไม่ใช่นี่นาเราต้องการเป็นสุขใช่ต้องการสุขแต่สุขจริงๆคือไม่มีทุกข์อะ ถ้าไม่อยากมีทุกข์อยากมีความสุขจริงๆพระพุทธเจ้าพบแล้วมันมีทุกข์แน่นอนแล้วบ่ลมมาสุขจริงๆแล้วเชื่อไหมถ้าเชื่อปฏิบัติตามไหมปฏิบัติตามแล้วจริงจังไหมเขาจริงไหมต่อไปนี้จะย่อหย่นอนแนมไหมจะประมาณไหมจะมัวเมาไหมจะเอาแต่ความคิดความหนุนเตีงเป็นใหญ่ไหมมันก็ต้องสอบสวนเข้าไปสิให้มันได้รับเหตุรับผลขึ้นมาให้หูตาของใจเนี่ย ตาใจมันสว่างสวายขึ้นมาให้มันรู้ว่าเป้าหมายของชีวิตจริงๆริงอะก็คือตรงนี้แหละคือตรงที่ออกจากทุกนี่เพื่อตัวเองไม่มีทุกนี่ต่างหากมายความว่พี่เจ้าเจริญที่สุดในโลกได้ยังไงจะบริสุทธิ์ที่สุดในโลกได้ยัง ไ, กไงไกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันถูกความทุกข์ครอบงำอยู่อย่างเงี้ยถูกความโง่ความหลงครอบงำบีบคั้นทําให้จึงเป็นทุกข์เดือดร้อนทําให้มีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานมีตัณหามีมานะมีทิฐิลุมเล้าอยู่ แล้วด้วยาความหลงที่มันหนาแน่นมันก็หลงสิ่งเหล่านี้แหละหลงโดยเงื่อนงอหลงอันนี้แหละที่มันยิ่งใหญ่อะ่ะหลงโดยเงื่อนงอหลงเนี่ยมันชี้ออกไม่ได้สักทีหนึงแล้วเราจะประมาทได้หรอไอ้ความหลงมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครอบงาเราจนกระทั่งพาเราเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยถ้ามาเกิดแล้วเราไม่ทําความเข้าใจเรื่องของโลกเราจะไม่เข้าใจเรื่องชีวิตของเราด้วยมันก็จะหลงชีวิตหลงโลก แล้วถ้าเราทำความเข้าใจแล้วตราบใดที่เรายังเกิดอยู่อย่างนี้ความทุกข์ก็จะต้องตามบีบคั้นเราอยู่อย่างนี้เพราะมีเราก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมจะให้ได้ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นก็เป็นไปตามเหตุตปัจจัยของเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเอาไงไ่ายคนรอบข้างเราเป็นไปได้ไหมว่าเราจะให้เขา เป็นอย่างที่เราต้องการทั้งหมดร้อยต่อเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้ในถูกใจเราเราทุกไหมถ้าเรามีทุกก็แสดงว่าเราโงูเรางูเรารู้ว่าโงูไหมถ้าใครรู้ว่างูก็ต้องมาระวังจิตเผื่อจิตมันโงูไม่ให้จิตมันงูไม่ให้จิตมันหลงมันก็ฉลาดขึ้นมาถ้าว่ามันฉลาดก็คือจิตต้องมารักษาจิตตัวเองไว้ไม่จิตไปหลงเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มาทําให้ตัวเป็นทุกข์เด็ดขาดถ้ามันทุกข์เมื่อไรหร่รนะู้แล้วว่าเราโง่หรือว่าเราหลงโอ้พยาพยามพยายามทีน่นี่แก้ไข I, แก้ไขยอย่างนี้แนหะพระเจ้าเรียวกว่าดีแล้วประเสริฐแล้วคนนั้นดีแล้วประเสริฐขึ้นมาแล้ว ท, ทั้งทัที่ยังโง่อยู่นี่แหละแต่รู้ว่าตัวเองมากรู้ตัวเองว่าโงนะ่แล้วรู้ตัวเองว่าหลงแล้วความโง่ความหลงทายเป็นทุกขนะ์ละถ้าใครรู้อย่างนี้พระเจ้าบอกว่าโ อ, โอ้ประเสริฐแล้วประเสริฐแล้วมีกิเลสขึ้นมารู้ว่ามีกิเลสพยายามแก้ไข นั่นแหละดีละดีที่สุดละประเสริฐล้วแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้โล่ไม่รู้ว่าโล่หลงไม่รู้ว่าหลงมิเกลไม่รู้ว่ามิเกลผู้เจ้าสืบอยงเร็วผู้จะมีการศึกษาสูงขนาดไหนมีหน้าที่การงานสูงขนาดไหนมียศขนาดไหนสรรเสริญหน้าสรรเสริญขนาดไหนแต่ยังเร็วเพราะมีกิเลไม่รู้ว่ามีกิเลสโล่ไม่รู้ว่าโล่หลงไม่รู้อ่าหลงมันเร็วตรงนี้เร็วยังทําตัวให้เป็นทุบอยู่ เพราะผู้เจ้าอุบัติขึ้นมาที่โลกก็คือไม่มีทุกข์เป็มอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายในโลกก็คือต้องรู้ธรรมชาติของโลกหรือว่าถ้าไม่ไม่ไม่ให้มันมากระทบไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับโลกก็คือต้องไม่มาเกิดนานมันต้องมาแสวงหาทางไม่เกิดแล้วนะที่นี้เพราะถ้ายังเกิดอยู่มีตาก็ต้องเห็นเห็นก็ต้องถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมันก็เป็นอยู่นี้แหละผูก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงมาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง จะมีลิ้นกายถูกต้องสัมผัสก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างถ้าถูกใจมันก็ปรุงแต่งไปอีกแบบนึ่งไม่ใช่ไม่ทุกนะถูกใจก็ยังทุกข์อีกดิ้นรนจะเอาเข้ามาหากอยากให้เป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้แล้วก็ยังไม่พออีกอยากได้มากขึ้นอีกถูกใจแล้วยังไม่พออีกอยากให้มันถูกใจแบบสุ ด, สดอยากให้สมบูรณ์อยากให้มันโตเฟก แต่โลกเราตัวเสร็จได้ไหมไม่มีทางหรอกดูคู่ชีวิตเราก็ได้คู้รักของเราเพื่อนของเราเขามีส่วนดีอย่างหนึ่งแต่มันก็เมเรามีส่วนเสียจนได้หละถูกใจแล้วก็มีไม่ถูกใจจนได้อาไปเจอคนใหม่อีกมันก็มีถูกใจมีถูกใจอยู่ดีอะ่ะแต่ฉันดูไม่ได้หรอกตัวคนนี้เอถูกใจตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีเรื่องที่ไม่ถูกใจอะ่ะ น่าลำคาญใจหน่าเบือ่อนายอยู่คนเดียวก็ดีกว่าอยู่คนเดียวก็เอาจิตตัวเองก็ดิ้นเลยอีกอะ่ะมันก็ไม่พอดีอะ่ะมันก็ต้องการเพื่อนอีกอะ่ะแล้วก็เงียบเงาอ่างว่างวาวีอยากมีเพื่อนพูดเพื่อนคุยเพื่อนที่เขารู้ใจมาคอยรับฟังสิ่งที่เรากําลังขัดข้องในจิตในใจเรื่องการบ้างเรื่องงานบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเรื่องความคิดความเห็นความอ่านอยากให้มารับรู้อยากให้มา เป็นเพื่อนที่รู้ใจเนี่ยมันก็อยากให้เขารู้ใจอีกแล้วเรารู้ใจเขาไหมอย่ารู้ใจทั้งหมดก็ไม่ได้อีกเขาจะรู้ใจเราทั้งหมดก็ไม่ได้อีกโอ้โหยโลกเรานี้มันมีแต่จุดบกพร่องเลยนะมันไม่สมบูรในตัวของมันเองนี่แหะเพราะฉะนั้นต้องมาทําความเข้าใจเรื่องของโลกให้ดีก็คือทํามาทําความเข้าใจเรื่องชีวิตของเราเองมาทําความเข้าใจเรื่องจิตของเราเองเพราะปัญหามอยู่ที่จิตเราที่นี่ นี่แหละธรรมะของเจ้านี่มันชี้เด่นที่นี่เลยนะเทวจิตของเราเนี่มันยังยังชี้ออกข้างนอกอยู่นั่นแหละคือธรรมะมันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่เข้ามาหาจิตตัวเองมันยังห่างไกลธรรมเพราะไม่เข้ามาหาจิตไม่สํานึกลงที่จิตไอจิตดวงนี้ถ้ามันไม่ถูกใจดูสิโอ้โหมันดีแบบหนึ่งเลยนะก็อย่างที่พูดไว้แต่แรกแล้วว่าทุกคนมันอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปอร์เฟคสมบูรณ์อยากให้ได้ดังใจเรา แต่ว่าโลกมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะโปรเฟคที่มันจะสมบูรณ์ที่มันจะตรงกับใจเราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปบังคับโลกบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยให้รู้เถอะว่านั้นน่ยจิตเราโลภเราหลงแล้วเราอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการแล้วแต่ไม่ได้ดั่งใจละและไอ้ที่อยากให้เราเป็นอย่างที่เราต้องการก็เพราะความโลภความโลภความหลงเป็นเพราะความอยากความต้องการเพราะมีอุปทานในเรื่องเหล่านั้น มันเลี้ยงแล้วแต่สิ่งที่จะมาครอบงาจิตเราเนะนี่ยนีแต่จะเอาเรื่องข้างนอกมาครอบงาจิตจิตเลยไม่เป็นอิสระแต่ผู้เจ้านี่รู้รู้ทางที่จะทําให้จิตเป็นอิสระตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันค้นคว้าศึกษาไปสแสวงหาค้นคว้าที่นั่นที่นี่นี่แหละคือพระใจที่มันเป็นเด็ดเดียวอะ่ะที่มันมุ่งมั่นอะ่ะที่อยากออกอยากออกจากทุกข์คนที่อยากจะ อ, ออกจากทุกข์ต้องแบบนี้ ไปที่ไหนอยู่ตรงไหนก็ตามสํารวมเข้ามาหาจิตตัวเองมาแก้ที่จิตของตัวเองระวังจิตของตัวเองรู้แล้วว่าไปจากจิตดวง น, นี้คนนั้นก็เป็นไปตามกรรมของเขาตามเหตุปัจจัยของเขาเขาสั่งสมอบรมนิสัยปัจจัยมาอย่างไงเขาก็เป็นอย่างนั้นละ่ะหรือแม้แต่ชาตินี้ก็เหมือนกันละ่ะใครเคยชินกับการทําอะไรอะ่ะไอความเคยชินนี่แหละมันเป็นนิสัยถ้าใครอยากเป็นคนดีต้องมีนิสัยต้องทําดีบ่อยๆ จนมันเกิดความเคยชินความเคยชินนั้นนี้เป็นนิสยัยนิสัยก็จะลงไปเป็นอุ ป, ปนิสยัยคือมันลึกซึ้งเข้าไปเลื่อยแล้วก็จะเก็บไว้ในจิตเขาเรียกว่าอานุสยัยพอมีอนุสัยมันก็เลยแต่ละคนก็เลยเป็นไปตามอนุสยัยที่ตัวเองเก็บเอาไว้มันมีความเคยชินใครเคยชินทำยังไงอยากทําอยู่อย่างนั้นแหละทำแล้วก็เป็นนิสัยขึ้นมาเป็นป ก, กติเลย บางคนทำความดีเป็นปกติบางคนทำความเลวเป็นปกติแล้วไหนมันดีละ่ะก็ต้องทำความดีก่อนสิ่งไม่ดีไม่ทำเพราะทำแล้วมันเดือดร้อนใจทีหลังมี่ถ้าหาว่าเราสังเกตเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยก็เพราะอะไรอะ่ะก็เพราะการกระทำที่มันไม่ถูกต้องพอไม่ถูกต้องปับเดือดร้อนใจทีหลังคุ่พระเจ้าบอกเลย อะไรก็ตามที่ทําแล้วเดือดร้อนใจสี่หลังอย่าทําเลยเพราะทําแล้วมันเป็นอุปสรรคมันขวางกั้นทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีทุกข์วนเวียนอยู่ในจิตใจเพราะนั้นให้ทำสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งฝ่ายดีฝ่ายบุญเนื่องจากจิตของเราเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็ง เ, เ, เราก็ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึง่งมีพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าเป็นหลัก แล้วก็มันประพฤติปฏิบัติเพื่อจิตใจมันเข้มแข็งขึ้นเมื่อเข้มแข็งอารมณ์ทั้งหลายก็จะไม่เข้ามาเข้ามาก็รู้ทันมันมันจะค่อยๆดับไปเราจะให้เด็ดขาดลงไปทีเดียวมันก็ไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้ากว่าที่พระองค์จะตัดสิรูเป็นพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีมากมายมหาศาลเลยเดินทางมาบริบูรณ์สมบูรณ์ในชาตินี้จึงตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้คนที่จะบรรลุตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะ ไม่ใช่จะรู้ตัวนะว่าจะบรรลุธรรมชาตินี้ก็เหลือแต่ความเพียรความพยายามเห็นคุณเห็นประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าผลไม่ผลก็าตามก็จะเพียรอยู่เงี้ยพยายามปฏิบัติอยู่เงี้ยถ้าอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละมีโอกาสแล้วเพราะจิตเขาไม่ถอยแล้วจิตที่มุ่งมั่นบากบั่นแล้วไม่ได้อย่างนี้เอาอย่างนี้มีศักดิ์ตรงนี้แก้ไขได้ไปเพื่อที่จะให้จิตมีกําลัง กำลังและสตินี่ควบคุมจิตจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตมันตื่นอะ่ะจิตมันตื่นอยู่ข้างในอะ่ะจิตมันตื่นมันก็ถ้ามันเอาจิตเนี่ยมองดูกายตับมองดูร่างกายร่างกายกับจิตมันคนละส่วนเลยรู้สึกเลยว่าอันหนึ่งเป็นผู้ดูอีกอันหนึ่งเป็นสิ่งถูกดูไอ้จิตนี่มันเหมือนเราทีนี่ไอ้ร่างกายก็เหมือนเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเหมือนอะไรสักอย่าง เหมือนเป็นสิ่งที่เรามาอาศาัยอยู่จิตมาอาศัยอยู่อันหนึ่งเป็นรูปอันหนึ่งเป็นน้ำมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันอันหนึ่งกายอันหนึ่งจิตกายก็คือรูปรูปะหลายรูปมารวมกันเป็นกายจิตก็ฝ่ายนามาทําฝ่ายที่รู้สึกได้รู้อารมณ์ได้พอถ้าเอาจิต ม, มาสัมผัสรู้ที่กายถ้าใครเริ่มรู้สึกได้ว่าเออร่างกายเนี่ยกับจิตคนละส่วนน่ก็เป็นปัญญาแล้วเนี่ย เรียกปัญญายาณคือรู้ด้วยจิตจิตมันรู้มันเห็นถ้าเราไม่ทำสมาธิมันไม่เห็นนะมันก็เป็นเราเป็นเราองรวมเลยนะเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราทำนั่นเราทำนี่แต่ถ้าเราคารวมใจเข้ามาถ้าจิตของเรามันเริ่มเป็นสมาธิปั๊บมันตัวสมาธินี่มันทําให้จิตมันมันหดตัวเข้ามามันไม่สัายออกไ้ไม่ไหลไม่ซ่านออกไปอ่ะมันหดเข้ามา คนเข้ามาคนนึงจะเห็นจิตได้นะถ้าใครไม่เห็นจิตแสดงว่าจิตไม่เป็นสมาธิคนที่เห็นจิตได้จิต ต, ต้องเป็นสมาธิจิตรวมตัวเข้ามาพอรวมตัวเข้ามาแล้วเนี่ยคุณสมบัติของจิตเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีสติช่วยมีสัมปชัญญะช่วยมีสมาธิช่วยมีปัญญาช่วยมันก็เลยเหมือนมองเห็นได้รู้สึกได้เออร่างกายมันก็ จิตม า, าสายอยู่นะเหมือนไม่ใช่จิตอะ่ะจิตดูอยู่เฉยๆรยู้อยู่เฉยเอาเวทนามาก็เหมือนกันก็มองดูได้จิตเี่เป็นตัวรู้สึกรู้สึกหรือเป็นตัวดูตัวเห็นเอาเวทนาอยู่ที่ร่างกายนี่นะ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเห็นว่าไม่ใช่เรามันจะยึดได้เหรอมันก็ต้อมาระวังจิตนี่แหละไม่ถลําไปแต่ถ้ากําลังไม่พอไอ้เวทนาเนี่ยมันมีความแรงมันมันดึงดูดจิตได้ให้จิตถลําไปได้เหมือนอารมณ์อ่ะ มันทำให้จิตถลําไปได้เมือเราโกรธใครสักคนหนึ่งจิตมันถลําเข้าไปในความโกรธโกรธเป็นฟูนเป็นไฟเแต่ถ้าเราตั้งหลักดีๆทําจิตเป็นสมาธิความโกรธก็เป็นความโกรธจิตก็เป็นจิตถึง ม, มันรังเกียจใครสักคนหนึ่งล้วรักษาจิตไว้นึกถึงคนนั้นขึ้นมามันไม่ถลําไปในความรังเกียจในความจริงชัง <c oughs> หรือในความรักใคร่พอใจมันดูเฉยๆได้เออเขาก็เป็นเขาได้ เหมือนมองดูกายก็กลายเป็นกายได้กายเขากลายเราก็สักดแต่ว่ากายเหมือนกันนีพอจิตมันมันมีกำลังมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันมองดูแล้วมันเห็นมันใสมันเห็นเห็นแล้วมันก็สงบด้วยมีความสุขความสบายด้วยสงบจากอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายมนไม่มามาปิดกั้นจิตถ้าเวลาไหนจิตของเรามันไม่เป็นสระจากอารมณ์อ่ะส่วมีความโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยมีความโกรธมาบังมากั้นเลยนะ หรืเราไม่สบายใจสักอย่างถูกเขาตําหนิหรืเราระแวงขึ้นมาไม่ใครว่าอะไรหรอกแต่จิตเราเนี่ยมันระแวงขึ้นมาอ <c oughs> สงสัยคนนั้นต้องคิดไม่ดีกับเราอย่างนี้แน่ๆเลยแค่นี้ก็บังแล้วพอเห็นหน้าคนนั้นบักมันนึกขึ้นมาอย่างนี้มันจะไปทําอะไรกันอย่างนี้มันก็รู้สึกว่ามันตัวนี้มันบงังบังกันกันไม่เป็นธรรมาชาตินี่อารมณ์นี่แหละมันมากั้นมาก่อคนนั้นเขาก็อยู่ของเขาหรือเขาจะคิดจริงๆ เป็นจริงๆอย่างนี้ก็เรื่องของเขาไปถ้าจิตมีกำลังจริงๆมันวางได้แยกกความจริงออกมาได้เป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายได้จิตจะมองเห็นได้เออไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเม่ไม่ใช่ของเราที่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะมันก็ทำงานกันอยู่่ะพอทำงานมันมีบุบมีวับมีตึ๊กมีตั๊กมีบุบมีวามีนั่นมีนี่ ติ๊ ก, ต, กตั ก, ตกอยู่ในร่างกายเนี่ยเขาก็รู้แล้วนี่ถึงสักแต่ว่ากายมันก็เลยเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปหรือมันอยู่เข้ามาอย่างนั้นเองสำคัญตรงจิตว่าจิตของเราเนี่ยมันไปวุ่นวายกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมนี่คือพระเจ้าสอนนี่คือสอนมาที่จิตนี้เอาวิทนานะเหรอก็เรานั่งนานอะ่ะก็ส่วนบนเนี่ยมันทับลงไปข้างล่างอกลดลมก็วิ่งไม่สะดวกแล้ทีนี้ธาตุดินก็ขัดข้องแล้ว ธาตุน้ำก็ขัดข้่องธาตุลมก็ไม่เป็นปกติเท่าไหร่ธาตุไฟก็ต้องถูกกระทบไปด้วยกันะ่ะดินน้ำลมไฟขัดข้องขึ้นมาแล้วมันก็ส่งสัญญาณออกมาดิมีเวทนาแต่ม่เวทนาทางกายไม่ใช่จิตแล้วจิตเรารู้ไหมจิตเราเข้าใจไหมนีม่สาคัญตรงนี้นะทินมันแต่ เ, เวทนามันยุ่งในจิตไหมมันถลําไปกับเวทนาไหมถลําไปเรื่องราวของเวทนาไหมไปว น, ไไปนกระวนกระวายไปกับเวทนาไหม อยากให้เวทนาหายไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดกลัวเป็นนุ่นกลัวเป็นนี่อยากเลกิกอยากขยับวุ่นวายขึ้นมานี่เราก็ต้องมารู้อาการของจิตเพราะเราไม่ทันแล้วเราถล่มไปกับเรื่องของเวทนาแล้วการเตรียมสมาธิมันจะให้จิตติเป็นปกติได้เราธรรมชาติจิตก็มีบ้างหยิ่งเฉยไม่ใช่มันนิ่งหยิ่เฉเฉยนะบางทีมันก็แป บ, บไปสัญญาณเราเอาเข้ามาแล้วนึกขึ้นมาแล้วเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้าง ถ้าสตินี้กาลังก็เอาสัญญาตัวแล้วก็ดับมันก็ยังปรุงต่อไม่ได้บางทีไม่ทันตรงสัญญาทีโอ้ยมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วปุมรุมจิตใจจิตใจร้อนนนนโอเพราะมันเล็วมากนี่นะใจ๊ทันเลยก็ไม่ได้ที่เอามาพูดคือพูดมาแยกมาย่อยให้มองเห็นภาพว่าเออจิตเนี่ยมันมันเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่มันทํางานได้แต่เวลามันทํางานรวดเร็ว แต่ถ้าเราเข้าใจว่าเออเออขบวนมันมีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนมันมีช่องทางที่จะรู้เท่าทันมันได้เห็นมันได้แล้วรู้ด้วยอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดและดบับหมือนอยู่ตลอดไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปกลัวมันที่นี่ไม่กังวลไปกับมันเนี่ยไม่ว่าจะโกรธขึ้นมารักใครขึ้นมาชังใครขึ้นมามันก็เป็นแค่อารมณ์เกิดแล้วก็ดบับแล้วถ้ารัก ไข้ก็าตามนะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวมันก็จะไม่พอใจขึ้นมาเหมือนกันชังขึ้นมาได้เหมือนกันโกรธเคืองขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อเราก็จะได้ระวังดี่มีในอารมณ์อะไรเข้ามารักใข่ชอบใจเดี๋ยวมันมก็ไม่ชอบใจขึ้นมาได้พอใจเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจขึ้นมาได้ไม่พอใจเดี๋ยวมันก็พอใจได้ถ้ามันเห็น่นยนต์นี้มันว่ามันจะเริ่มเข้าหาทางสายกลางแล้วไม่รักไม่ชังละ ชอบใจไม่ชอบใจก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันหน่าเบือนหน่ายอ่ะน่าเบืออหน่ายมันก็เลยหดเข้ามาหดเข้ามาอยู่กลางกลางแเนเรื่องกลางๆของจิตทางสายกลางของจิตไม่ใช่ว่าทางสายกลางว่าเออฝ่ายนั้นเขาเอาอย่างนั้นฝ่ายนี้เอาอย่างนี้แล้วเรามาอยู่ตรงกลางๆไม่ใช่กลางของจิตเห็นว่าชอบใจก็เป็นอย่างหนึ่งไม่ชอบใจเป็นอย่างหนึ่งนี่ตามไปไม่ได้ ก็เลยมาเป็นอิสระมาเป็นกลางๆอยู่ตามลำพังอยู่ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วก็อาศัยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายพัฒนาให้มันรู้แจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่มันผ่านมาต้องผ่านไปเกิดแล้วต้องดับไปถ้ามันเห็นอย่างนี้จิตจึงจะเป็นอิสระจากอารมณ์ของโลกเรื่องราวของโลกก็จะไม่เข้ามาครอบงำจิต ถ้าหาว่าเป็นอิสระจากโลกได้จิตก็ไม่มีทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อไม่มีทุกข์จิตที่ไม่มีทุกข์คือจิตที่ไม่จูงแต่งอะไรแต่มีความคิดได้แต่ไม่ยึดความคิดเฉยเห็นว่าความคิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือของจิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นขันเป็นการทางานของขันทั้ง5้าเรียก ว, ว่าสังขันละขัน สัญญาก็ทำงานได้เรียกว่าสัญญาขันเวทนาสุขทุกข์ก็เกิดได้เป็นเวทนาขันวิญญาณก็รู้อารมณ์ได้เรียกวิญญาณขันแต่ผู้รู้แจ้งนีนี่คืออริยมรรคมีองค์แปดรู้นั่นคือจิตที่มีปัญญายาให้เห็นขันห้าว่ามันเป็นการข บ, บวนการทำงานของธรรมชาติอันนึง่งเราเป็นหลง เรือเป็นหลงยึดขันห้าว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนตของเราสุดท้ายความหลงก็คือมาหลงขันห้านี่เองยึดขันห้านี่เองยึดขันห่าว่าเป็นตัวเราก็อยากให้สิ่งทั้งหลายอาจจะเอามาบำรุงบำโลตนให้มีความสุขเสดเสวยอันนั้นอันนี้เดี๋ยว่าตันหาออกไปหาเรื่องหาเราเพื่อจะมาเสดเสวยให้ขันห่านี้เป็นสุขบำรุงบำโลตนไปขันห่านี้ แต่ขั้นหน้านี้เป็นกระบวนการทํางานเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาสื่อทอดกันแต่เรายังไม่เห็นตรงนี้ก็หลงตันหาว่าเป็นเราอยากได้ทําอะไรตามตันหาทําก็ทําเพื่อตันหาอยากได้นู่นนีเพื่อตันหาอยากกินนั่นกินนี่เพื่อตันหาไม่ได้เพื่อปัญญาเลยนี่แหละมันจะเอาทุกข์เอาปัญหามาให้เดี๋ยวก็อยากใหญ่อยากโอ้อยากบวชอยากมีความสําคัญเขาเรียกมานะ เพื่อตัวตนนั่นแหละอยากให้ตัวตนมีความสําคัญใหญ่ตัวตนเด่นอยากให้ตัวตนยิ่งใหญ่โดยคนเขายกย่องสรรเสริญตัวตนโดยด้วยไม่ความหลงเทนั้นเองเขาก็เรียกว่ามานะแต่มาน้ามันอาศัยการที่ไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้แล้วก็เอามาปรุงแต่งขึ้นในจิตทําให้ตัวเเป็นทุกขึ้นมายจึงมีตัณหาตัณหานี่อยากได้ อยากได้เอามาเสพมาเสวยมาบำรุงเล่บนต้นมานะอยากให้ตัวตนมีความสําคัญอยากโอ้อยากอวดอยากเด่นอยากดังอยากเป็นเหมือนผู้วิเศษแต่จริงๆก็ตายเหมือนกันเน่ะทุกเหมือนกันเน่ะมันก็ลืมไปหมดอ่ะเราเป็นหัวหน้าถ้าลูกน้องไม่แสดงความเคารพเราเดินผ่านมาไม่แสดงความเกรงใจหัวต้นมันก็ขยายออกไปมันก็ไม่พอใจขึ้นมา เพราะมันไปมีตัวตนขึ้นมาแต่จริงๆแล้วก็อา้าใครจะเป็นยังไงก็อา้าวเหตุปัจจัยของเขาเป็นตาเหตุปัจจัยเขากับเรารักษาใจเอาไว้อย่าดีไม่ร้ายเขาจะเป็นยังไงก็มันไม่ทุกขี่ใจเราสําคัญที่สุดคืตอตรงนี้เลยเนี่ยมันก็สบายขึ้นตัวทิศที่เรามีตรการยังไงมีความคิดความเห็นยังไงชื่วถือยังไงก็อยากให้คนอื่นเป็นอย่างเราด้วยอยากให้เขารับฟังเราอยากให้เขาเห็นด้วยกับเรามันแคบ มันตักลงไปที่ความเห็นของตัวเองเอาความเห็นของตัวเองอก็คือความหลงของเราเนี่ยแหละมีตัวมีตนก็ใหญคือมีเห็นด้วยเราหลงแล้วใหญคือหลงด้วยจะไม่รู้ว่าหลงมันให้เขาเห็นด้วยเหมือนกับเรานี่ถูกเราดีถ้าเขามาเห็นด้วย้พวกเราเอาเข้าใจได้แต่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเอาพวกไม่ใช่พวกเราไม่ได้แล้วคนเราพวกมีมันคแคบมันไม่เอาทำไม่เอาทำาเอออัอนไหนนั่ที่มันตรงทํา อันไหนตรงกับหลักความจริงเดี๋ยวถ้าเราไม่รู้ว่าอันไหนตรงความจริงเราก็ต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นการที่เราเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องต้นเพื่อให้เรามีหลักแล้วก็เอามาฝึกขัดปมาฝึกปฏิบัติจนกระทั่งเราพึ่งตัวเราเองได้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมามันก็เลยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสองฆ์อยู่ในใจเลยจ้ะ ไปที่ไหนมันก็รู้ว่าตรงจิตนี่แหละสำคัญที่สุดถ้าเรามาพัฒนาจิตเรามาปฏิ บ, บัติจิตเราให้ตรงกับหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเก็บลงที่นี่แล้วเป้าหมายของชีวิตก็คือออกจากทุกข์ออกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรจริงแต่งจิตก็ไม่มีอะไรพาเวียนว่ายตายเกิดทําอะไรก็ไม่เป็นกรรมเพราะทําแล้วก็ทําบนพอดียังไงมันสมควรยังไงทำไปเลยใครพอดียังไงก็ทําไป มันไม่ไปสำคัญมั่นหมายว่าเขาจะดีจะเด่นจะดังอะไรหรอกเพราะอันนั้นเป็นเ่องของความหลงใครอยากหลงก็หลงไปพออย่างเเราไม่หลงเราเป็นอิสระเราพ้นแล้วเราอยู่เหนือโลกแล้วอยู่เหนืออารมณ์แล้วอารมณ์ของโลกไม่มาอิทธิพลต่อใจเราแล้วนี่สิ่งที่พระเจ้าเลิศสิ่งที่เราประเสริฐอยู่ตรงนี้เลย เอาเมื่อเรามาที่นี่แล้วให้เราตั้งใจแสดงความเคารพบูชาพระ้ยอดเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะรวบรวมกําลังใจเราทั้งหมดหรือใครจะตั้งวณิธานอะไรให้แนว่วแนว่ลงไปอาศัสายสถานที่ของพระพุทธเจ้ามันทําให้เรามีกําลังใจมีความแนว่วแนว่ภายในจิตรวมทั้งบริเวณในสถานที่ที่พระเจ้า ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมีชาวทิพย์ทั้งหลายที่เขารู้เขาเห็นจิตเราได้จะได้เป็นประจักษ์พยานเราจะได้ไม่กล้าที่จะทิ้งปณิธานของตัวเองไม่กล้ลบล้างคำมั่นสัญญาของเราเหมือนกับเราให้ไว้กับพระพุทธเจ้าเลยให้เรามั่นใจว่าเราจะต้องเดินตาม พระพุทธเจ้าไปให้ได้เราสำรวมจิตใจกันนะอ้าเตรียมใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะรวบรวมจิตใจนะล้างทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจเลยนะเรารู้แล้วว่าสถานที่แห่งนี้ละที่พระเจ้าเริงพระพิสาเจ้า ว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ประเสริฐสุดในโลกคืออยู่เหนืออารมณ์ของโลกไม่ให้มีอะไรมาครอบงำจิตเราได้ธรรมดาถ้าเรายังไม่หลุดพ้นก็ไม่เป็นไรมีรักมีชังบ้างมีโกรธบ้างแต่เราพยายามที่จะให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ผ่านมาแล้วผ่านไปเกิดและวก็ดับไป อันนี้อยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติมันไม่ได้เสียหายนะคนเราก็มีความโกรธได้มันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเออเราไม่ถล่มไปมากพยายามที่จะรู้พยายามยับยั้งถํามันเผลอหลุดออกไปมันถล่มเข้าไปก็พยายามที่จะให้รู้ว่าเออนี่ไปจากจิตเรานะดึงมันกลับมาพยายามดึงกลับมาโลภไปบ้างถล่มไปความโลภความอยากความต้องการ แล้วก็พยายามที่จะเอาคําสอนทุกเจ้ามาเป็นหลักไว้เออนี่เราอยากนะเกินไปไหมสมควรไหมเอาขนาดไหนพอดีพองามสําหรับเราแล้วก็พยายามรักษาจิตแ ท, ท้เป็นกลางเอาไวา้ไม่ถล่มมากก็เป็นธรรมดาอยากบ้างอะไรบ้างเป็นตันหาขึ้นมาก็รู้ว่านี่แหละเรายังยังไม่ได้ผ่านมันยังไม่อยู่เหนือมันมันมีมาก็รู้แล้วก็ให้รู้ขอบเขต ว่าจะเอาขนาดไหนพอดีขนาดไหนเนี่ยมันตรงที่ว่าเราหาความพอดีของเราบ้างพยายามดึงจิตเราเข้ามาหาทางสายกลางพยายามให้ไม่ให้ไปยินดียินร้ายจนเกินไปผิดพลาดบกพร่องมีหลักเดียวผู้เจ้าสอนเลยกรรมไหนเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษนี่รวบรัดเข้ามาเลยให้รักรรมนั้เสียถ้าผิดพลาดบกพร่องจะไม่ทําอีกแล้วจะพยายามแก้ไข แล้วพยายามทำกรรมที่ดีงามขึ้นมาแทนอย่างนี้เลยนะหลักของพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครยอมรับเลยเอา้าวผิดพลาดบกพร่องใช่ฉันยังมีกิเลสฉันยังมีความโง่ความหลงไม่เป็นไรแต่ฉันจะแก้ไขแล้วเป็นยังไงอ่ะใครจะว่ายัางไงก็เชิญแต่ฉันจะแก้ไขเมื่อแก้ไขแล้วฉันดีขึ้นคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ฉันดีขึ้นของฉันนี่เอามาเข้ามาหาเราวพูดง่ายว่าเออมาแก้ที่เรานี่แหละขอให้อย่างเดียวว่าเรานี่พัฒนาตัวเรา ให้เราดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเอาต่อไปนี้ให้เราบูชาพระเจ้าด้วยการชําระจิตของเรามาที่จิตหรือเมื่อพระเจ้าไม่มีอะไรครอบงําจิตเราก็พยายามทําอย่างที่พระเจ้าสอนน่ยพยายามที่จะให้จิตของเราเป็นอิสระจากอารมณ์มันมีความยินดียินร้ายมีความสงบเยือกเย็นมีความสุขความสบายเอาอันนี้แหละบูชาพระพุทธเจ้า แล้วก็ล่าลาพระพุทธเจ้านะล่ำลาด้วยใจนะบอกกล่าวเลยว่าเนี่ยเอาละ่ะวันนี้ได้มายังสถานที่ที่พระองค์ทรงประสูตดและก็รู้แล้วพระองค์มีพระทัยแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติค้นคว้าจนกระทั่งดับทุกในพระทัยได้เราก็เป็นสาวกเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันก็จะพยายามประพฤติปฏิบัติตาม จนกว่าจิตใจจะเป็นอิสระจากอารมณ์ของโลกคือพ้นจากทุกในวตาสงสารอันเดียวกันไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดาจากนั้นก็ทีนี้ตั้งใจอุทิศบุญนะความอนาจพระพุทธเจ้าอานาจพระธรรมอามนาจพระสงฆ์จงดนบันดาลบุญของข้าพเจ้า ทัแต่อาตีย์จนถึงฝัดจุฬาฯให้เขย่าทั้งหลายของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่ในบริเวณนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้รวมทั้งเหล่าอริยเทพเหล่าเทวดา ที่เป็นญาติของข้าพเจ้าอริยเทพและเทวดาทั้งที่ไม่ใช่ญาติของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าเมื่อรับเอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดให้สมความปรารถนาด้วยอนุภาคแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ที่แต่แล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้ว ก็ให้มามปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือส่วนหนุนข้าพเจ้าทำสิ่งใดก็ไม่มีแต่ความราบลื่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถอดการเดินทางของข้าพเจ้าในครั้งนี้ก็ขอให้แก้วคลาดกอดภายไม่มีอุปสรรคใดๆมีความราบลื่นมีแต่ความลงตัว ขอท่านทั้งหลายยินดีรับอาบุญของกัปปเจ้าแล้วต่างฝ่ายต่างข้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปวันนี้พอแค่นี้นะ